เออเมื่อโยม 3 คนก็ถามว่าขันธ์ไปไหนล่ะแล้วโยมจริงๆทั้งนั้นก็บอกว่าลำนั้นเค้า dan zou je ook wel 3 sanctuum nam kolom maar ego, dan maim je maar wanten Dan je je mijn sanctuum. Dat maand je dan je dan je bij mij, bij mij, bij mij, bij mij, bij mij, bij mij, bij mij, tank แล้วว่าฝั่งน้นบ้างแวะฝั่งนี้บ้างแวะฝั่งน้นบ้างแวะฝั่งนี้บ้างมันถึงเมื่อไม่ไกลตลาดก็ต้องกลับมานอนที่ตลาดถ้าไปวันรุ่งขึ้นกว่าจะถึงที่เดิมก็ตอนเย็นต้องกลับมาที่เดิมใหม่เป็นอันว่าวิญญาณก็มีความจําเป็นจําใจต้องสร้างพระพุทธจิตราชาติเอ้ยก็ได้ไปบอกหลวงพ่อเล็กให้ทราบหลวงพ่อ เอาให้นายช่างชมซึ่งเป็นช่างของโลหะปั่นเอง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 เป็นการขอฝนตามวิถีกรรมของคนโบราณความจริงไม่รู้ Houthama, rijgen mating, maar rijgen mating, tondjien, toch? Mijn klei, kam, leo. Tegel krap, en krap, en bang. Tondjien, gemargentie, mat. Ja, gemadou, fontok, maar hun je naar het mating. Houthama, hun moet je naar het mating, fontok, timai. Je leef, wat haudige en bok, pinna, onjaag, jonpa, nek, wat, jing, jang, jang, jang, jang, jang, jang, dat jang, het jang, เห็นมาเล่นมองแมวมองหมาแล้วเล่นเท่าไหร่ฝนมันก็ไม่ Haru, hun putin, dat maakt je wat ik, hoe fontoknak kan hij? Kabin Khamting, Tamnan, Bendata, je, taat, heel over dit haar? Haut een fontok, bertinit, mij, de metmajmi, een. von, metjai, nakmaak, dokpremanson, sommol. een. u, kunt u, kunt u, een. u, kunt u, kunt u, een. u, kunt u, kunt u, een. u, een. Maar ik ga ik haal rond, toch kon ik je maagin ta' fonkan. Maar fonkan haal, toch kon die แล้วก็มีสตางค์ซื้อทองคําหนัก 2 สลึงเป็น 30 บาท ik ga het erover hebben, of ik ga het erover hebben, ik ga het erover hebben, ik ga het erover hebben. Ik ga het erover hebben, ik ga het ik ik ik พอช่างเทเสร็จฝนตกขนาด 1 ชั่วโมงช่างน้ําตาไหลน้ําตาช่างที่ไหลเนี่ยไม่ใช่ไหลดีใจไหลเสียใจช่างบอกว่าถ้าลักษณะแบบนี้พระต้องเสียผมจะไว้ไม่ยอมทบผลที่นี่จะไป understand everyone's mysterious Hmmm anything will to keep their exten confinement yet because everyone is told the fact that there is no need since so before the door is Auchin only now so i'll just open the door as well major windows Here at the time my eyes kicked in Bygg it was so easy to get These souls So i told the bill of smoke today as거나 this water-s pergunt must be found nearby it is way of addiction Langtjanan Janan hij de nam de persoon die kon en kon te hebben. คอให้อยู่ใน Bern! ทุกคนเขาให้ฟนตกทุกคนเก Schrา พระพุธรูปให้แด่ ocus воспฆอล言 โรธเมื่อมาฝนก็ตกทุกวัน ต่อมาก็ไปจะต้องไปสร้างโบติวัตร ไม่สามารถจะนําผลมันได้ก็บอกยังไงๆก็เอาไปด้วยกันแล้วกันขอ ล้นเวลาไปเงียบๆ1 เดือนเสร็จ 50,000 บาทเวลานั้น 50,000 ก็ใช้ พานเมื่อไปถึงแล้วจนจะถึงเข้าเข้าประคลองเล็กๆก็โจทูปขอขอพรท่านบอกว่าถ้าจะกุลายฝนตกเวลาเข้าเรือเข้าเบงเข้าคลองเล็กให้ฝนตกแปะๆเม็ด ข้าวคลองไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วพอตั้งเสร็จเค้า 2 ชั่วโมงประเภทไม่มีลม ดินมันโศกมากมันแล้งมานานฝนตก 2 ชั่วโมงพอพูดไปแล้วก็ตกใจ toch kun we niet gaan namen om een unieke. Je wil niet klachten, je wil niet dachten, je wil niet dachten, je in niet dachten, je wil je wil niet dachten, niet dachten, je wil niet dachten, je wil niet ถึงเวลาพอถึงเวลา มาอยู่ที่วัดเจ้าทางวัดก็บาทเพราะจัดงานวัดปีแรก ik ga het hebben over de hand. Ik ga het hebben over de hand. Ik ga een hebben over de hand. Ik ga het hebben over de hand. Ik hand. Ik hand. Ik hand. Ik ik heb een jaar 30.000 een paar een een een een สัก 2 3 เท่าของบาทพระแสงนวลๆเขียวน้อย คนมาในงานมากจนได้มีกําไรนับเป็นหมื่นทั้งทั้งที่ตั้งโรง ที่ 3 ที่ 4 ก็ต้องคืนแต่การทําอย่างนั้นก็เป็นที่ไม่ชอบใจ <ม. S 1> การรับการจ่ายร่วมกันมีบัญชีกันคนละเล่มต่างคนต่างเสียรับรองในบัญชี <c oughs h orden>. ต้องเข้ากรมแพทย์ทหารเรือหลานชายเป็นเป็นพยาบาลอยู่ที่นั่นแล้วก็มีหลายๆคนรู้จักกันก็เลยเข้าไปกรมแพทย์ทหารเรือพอเข้าไปเวลา แล้วบอกว่าที่มาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมานอนโรงพยาบาลตั้งใจให้หมอตรวจแค่ให้กินยาพยาบาลให้กินแล้วจะกลับท่านก็เลยบอกว่าที่นี่โรงพยาบาลนะครับไม่ใช่ที่วัดโรงพยาบาลหมอต้องเป็นใหญ่ไม่ใช่พระเป็นใหญ่พระจะใหญ่ได้เฉพาะ ไม่สนใจกับอาการป่วยไข้ไม่สบายก็เลยมีความจําเป็น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 ik heb geen tandem nodig van de maat. Ik heb een tandem nodig van de maat. Ik heb een tandem nodig van de maat. Ik heb een tandem nodig van Ik heb een van Ik heb een de Ik heb een tandem nodig van Ik heb een van Ik heb een Ik heb een Ik heb een ที่ผ่านไปนั้นท่านต้องการให้ชมว่าไอ้ความจริงคนเราถ้าทําชั่วถ้าอธิบายมันต้อง แล้วก็ชี้ทายไปก็เห็นทางไม่โตนักพอย่าง หน้าบันสวยมากหน้าบันคล้ายถึงหน้าบันควัททาสูงมากวิจิตรพิสดารมากเป็นประตูเข้าเดินเข้าหน 3 หลังหลังหนึ่งอีก 2 หลังก็เป็นกับมณฑปหน้าวิหาร 2 มณฑป แล้วก็ต่างกันนะไม่เหมือนกันจริงไม่ไม่เหมือนๆกันหมดแรงมันนอนที่หอระฆังพอนอนที่หอระฆังบรรดาท่าน จำพระเห็นก็จําได้ทันทีว่าองค์นี้คือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ท่าน อาตมาก็ลงจากที่บนบนมันไอ้ไอ้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 maar daarna, waar, hoe, die pannen zoon, mij, in, na, in, de, in, wij. do, ศูนย์นี่ก็แปลว่าว่างคือว่างจากกิเลสว่างจากความชั่วทั้งหมดขอให้เธอยังมีความเข้าใจว่านิพพานไม่มีสภาพศูนย์ก็ย้อนถามใหม่ว่าเธอคิดจะมานิพพานมั้ยก็บอกว่าไม่เคยคิดท่านถามว่าทําไมก็บอกว่าวิปัสสนาญาณอ่อนการ ถ้าบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันชาตินี้ 3 ต้น 2 ท่อนเป็นไม้บางๆเป็น 9 องค์ก็จําได้อง 3 คือ ตั้งกล่าวองค์ท่านเห็นหน้าท่านก็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 โดยที่เธอคิดว่าเธอปรารถนาพุทธภูมิจะปรารถนาพุทธภูมิหรือสาวกภูมิก็ตามมีวัฒนญาณทั้งคู่คู่กับ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 Maar de een tank had, ik ik ik Ik ik Ik Ik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 maar ik alleen een komlangenkitje, maar Ik wilde gewoon zeggen, Karo, piek, haai. Je wilde alleen maar de potten in ik zei, wat wil je? Ze heb je met mijn kit? en haar jab met Gini. ik heb een ik kan er geen zin in. Ik heb geen zin in. Ik heb Ik heb er geen zin in. Ik Ik heb er geen zin in. Ik heb Ik heb Ik heb ik heb een hier niet een in de een paar jaar in een และเวลานี้สัญญาณบอก